ลอันนี้คือหลวงพ่อก็เลยเขากัดเก็บข้อมูลตัวนั้นพอเราเคยทำอย่างนั้นมาแบบทุกอย่างในกรรมฐานในเมืองไทยต้องใช้วิธีการหลับตาและหาความสงบอันนี้คือที่คุ้นเคยกันไม่ว่าพุโทโธน้อยสมมมรหังอะไรต่างๆถามว่าจะมาทำเรื่องเหล่านี้มาก่อนไม่ทำเริ่มต้นที่หลวงพ่อพุทธทาสเมื่อปีสองห้าหนึ่งหก ก็ไปนั่งอนาปากับท่านนับลมหายใจหนึ่งสองสามสี่หายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทำอยู่นี่ทำไปทำมาแล้วนี่ปากฏว่ากรรมฐานน่ะดีนะแต่อีซีล้วมันอ่อนพอนั่งไปประมาณสักระยะหนึ่งมันก็เริ่มพอเราหลับตาใช่ไหมมันก็เริ่มง่วงถ้าไม่ง่วงมันก็จะเป็นภาพจินตนาการมันลอยอะไรเข้ามามันเคสลับกันอยู่อย่างเงี้ย คือถ้ามันได้สมาธิดีมันก็เรียกว่าเข้าฌานคือหลับลึกไปเลยออกมาก็สบายก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยแต่ส่วนใหญ่นิวรณมันเข้าอนิวรณมันเข้ามันง่วงมันเงามันฟุ้งซ่าอะไรต่างก็ทุกี่นั่งไปงั้นนะที่วันหนึ่งมาถามหลวงพ่อพุทธทาปถามว่าเออหลวงพ่อผมนั่งไปแล้วมันมันง่วงแล้วมันคิดมันอฟุ้งมันฝันอะไรจะแก้ไขอย่างไร ท่านบอกว่าท่านได้บรรยายานาปณะสิบหกขั้นไว้ในหนังสื อ, อนาปณะอยู่แล้วให้ไปดูตรงนั้นว่าแก้ไขไว้อย่างไงท่านเป็นคนงานเยอะเกี่ยวกับเรื่องเขียนนะนะท่าไม่มีเวลาอธิบายในในรายละเอียดกับเราไปถามทีไรก็เจอแต่คำโตะแล้วนี้ามาก็เลยท้อในที่สุดอยู่กับท่านได้ประมาณสักสองสามปีก็ออกมาทีนี้ตอนนั้นเรียนมหาจุฬาก็มาพบในมหาจุฬานี้เขาเจะวิธีการหนอมมาสอน เคยหลวงพ่อโชโดกหรือเจ้าคุณธรรมเทีราชมหามุนีก็ปฏิบัติหน่อยอีกทีนี่ยนะทําหนอะหกจังหวะทําทหนออยู่ปีหนึ่งทั้งที่ไปที่คณะห้าก็แล้วไปที่หลวงพ่อก็แล้วคือลักษณะเดียวกันคือทําให้เรานิ่งแล้วก็เงียบแล้วก็ติดนิวรณ์ได้ผลแบบเดียวกันทีนี้อย่างสูงสุดไม่มีเคยครั้งหนึ่งคือเข้าตัวแข็งได้พอเข้าแล้วมันกําหนดลมหายใจตามตามตาๆลงไปลมหายใจแผ่วปั๊บ หายไปเลยพระงค์ให้ใจพับตัวแล้วก็แข็งที่เข้าเขาบอกเข้าฌานเลยอ่ะทีนี้พอมาถามหลวงพ่อเทียนตอนหลังพวกหลวงพ่อเทียนในวิธีการต่างๆครั้งหมดอันนี้คือวิธีการสะกดจิตตัวเองไม่ใช่เข้าฌานอะไรท่ือว่าคนะือสะกดจิตตัวเองจนแข็งขือแล้วก็เราบอกเข้าฌานแต่ความจริงไม่ใช่แค่สอนได้ท่านว่าอันไม่ใช่พอมาปีสองศูน ป, ปปลายปีหนึ่งเก้าเพราะว่าปีหนึ่งแปดเนี่ย ปีนั้นมันเกิดเหตุพวกนศึกาเข้าป่ากเนาะปัญหาด้านการเมืองใช่ไหมพวกหนึ่งหนีเข้าป่าพวกหนึ่งหนีมาบวชชุดที่หนีมาบวชออกบวชตามคำขอร้องของพ่อแม่พี่น้องอะไรก็แต่มาบวชชุมประทานไปเสียเป็นพระนักศึกษาปีนั้นหลวงพ่อเอามาจะเท่าความเรื่องนี้หน่อยนะว่าความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อปัญญาอ น, นทะก็ เ, เอาพระกรรมฐาน ม, มาสองสายสายทางใต้ก็อาจารย์กวิทยเทียมอ น, นทะที่เป็นลู้สิษย์หลวงพ่อพุทธทาสสายทางอีสาน ท่านคุ้นกับเจ้าคณะจังหวัดเลยก็เลยขอผ้ากรรมฐานใส่สารจากหลวงพ่ออเจ้าคณะจังหวัดหรือพระราชวรมุนีหลวงพ่อรู้จักหลวงพ่อเทียนเป็นอย่างดีเพราะหลวงพ่อเทียนรู้เห็นอะไรเนี่ยจะมาเล่าให้หลวงพ่อองค์นี้ฟังหมดเพราะท่านเป็ผ้ากรรมฐานเหมือนกันแต่ว่าพระอื่นเล่าไม่ได้แต่หลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดมีประสบการชีวิตสูงใช่ไหมท่านก็เข้าใจ พอหลวงพ่อปัญญาธาขอพระกรรมาฐานใสาสารไปท่านก็เลยส่งพวกเทียนมานะทั้งๆที่พูดภาษากลางไว้ได้นะใช่ภาษามุงเลยนี่นแหละทีนี้พอมาอยู่ที่วัดชุมวัฒนในช่วงแรกเนี่ยพวกครูบาอาจารย์นักศึกษาก็จะฟังอาจารย์กุวิดในฐานะเป็นสายสุโมกตัวสีสุโมกเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ฟังไปฟังมาคนมันฟังทุกวั น, นเป็นไงเรื่องเก่าซ้ำไปซ้ำมามันก็ซ้ํซากเนาะมันก็เบือ่ออาจารย์สมทรงมูลยลิตเป็นผู้หัวหน้าโครงการที่เอานักพัฒนักศึกษามาบทเนี่ย เป็นประธานชุมรมศิลป์ทาแห่งประเทศไทยก็ เ, เลยไปถามหลวงพ่อปัญญาบอกว่าถ้าภาคกรรมฐ า, านเรามีองค์เดียวนี่หลวงพ่อเพราะส่วนใหญ่เรานั่งฟังกันนะเราไม่ทำกรรมฐ า, านกันนะหลวงพ่อปัญญานะถ้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีหลวงพ่ออีกองหนึ่งนิมมวใจัยสารหลวงพ่อเทียนอยู่ทั้งท้ายวิหารนันทังก็อาจารย์สมทรก็ไปฟังตอนนั้นหลวงพ่อพูดภาษากลางไม่ได้ก็อาศัยหลวงพ่อเขาเขียนนาจันดาเหล่านี้เป็นเป็นล่ามให้ แต่ในละแง่งของกรรมฐานนั้นอาจารย์สมทร์ท่านต้องการฟังจากต้นฉบับโดยตรงแต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษามังเลย <c oughs> ก็เลยพูดกับหลวงพ่อว่าอ้าหลวงพอ่อท่านพูดภาษากลางไว้ได้ท่านมาสอนภาษากรรมอฐานอย่างไรหลวงพ่อว่าก็พูดไม่ได้ก็จะให้ทํำยังไงถ้างั้นหนูอาส า, าสอนให้เอาไหมสอนภาษากลางนะเออก็ดีเหมือนกันว่งั้นอาจารย์สมทรงจะสอนภาษาหลวงพอ่อแต่อันนี้จะเป็น วิธีการหรืออุบายของหลวงพ่อหรือเปล่าไม่ทราบนะพอสอนในห้าวันหลวงพ่อพูดสารคางได้ปรอเลยเออพูดได้เฉยเลยเหมือนกับพูดว่าอย่า ง, งดังนีสารคางได้ปรากฏว่าอาจารย์มสมศุขเข้าใจเลยไปบอกพระลูกศิษย์ที่เป็นลิสิตเนี่นะให้มาฟังหลวงพ่อเทียนทีนี้พอมาฟังหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็พาทำไปเสียใหญ่พรายกมือนี่าก็ปรากฏว่าเป็นของแปลกใหม่ เพราะส่วนใหญ่กรรมาฐานที่ผ่านมาคือนั่งหลับตาใช่ไหมหาขวอทับคระแสดงว่าเคลื่อนสิบสี่หยุดสิบห้าเป็นย9ิบเก้าถ้าเราใช้ลมหายใจเนี่ยเราจะได้กี่จังหวะหายใจเข้าได้หนึ่งใช่ไหมหายใจออกได้สองตัวนี้คือความถี่ต่างกัน ความถี่ของความรู้สึกเราได้แค่สองจากลมหายใจแต่บางท่านพยายามแอปพลายว่าเวลาหายใจเข้ามันแตะดั้งจมูกแตะรูจมูกแตะลิมที่ปากแตะหน้าอกอะไรเนี่ยพยายามย่อยอ่นะแต่มันก็ไม่เวิร์กในเงี้ของเป็นการจุดที่ชัดชัดอะมันจะเวิร์กแค่เข้ากับออกคือจะรู้สึกว่าเข้ากับออกแต่อันนี้มันรู้ทุกจุดเลยใช่ไหมหยุดเคลื่อนเคลื่อนหยุดมันรู้ชัดอะทั้งหยุดทั้งเคลื่อน แสดงว่าความถี่ของสติที่เกิดจากการเคลื่อนมันได้ถึงยี่สิบเก้าจุดในเวลาเดียวกันแต่ลมหายใจมันจอได้แค่สองจุดในเวลาเดียวกันเอามามานน้นโอ้ตรงนี้เองคือความชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวนี่มีความถี่สูงทำให้มันมีกำลังใช่มแต่ลมหายใจความถี่มันต่ำกำลังมันน้อย พระฉะนัพ่อเทียนถึงกล้ารับรองว่าใครก็ตามทำแบบเคลื่อนไหวแบบต่อหนึ่องแล้วเนี่ยไม่เกินสามปีความทุกข์ลดน้อยลงถึงกระทั่งหมดไปขึ้นอยู่กับอีซีของผู้ปฏิบัติแต่พระพุทธเจ้าท่านรับรองอนาปาไว้ว่าอย่างช้าที่สุดตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีนะท่านรับรองว่าเจ็ดปีนี่ลมหายใจใช้เวลาที่เจ็ดปีครึ่งต่อครึ่งอะ่ะแต่วิธีการนี้ถ้าทำอย่างถูกต้องต่อเนื่องนะจะใช้เวลาประมาณสามปีมันก็มาทํา เราปรากฏว่าอมาทำได้สักสิบหกวันเข้าใจเรื่องรูปนามนะเข้าใจกายเข้าใจใจก็หลังจากนั้นทำมาเรื่อยเรื่อยทีนี้ย้อนมาถึงว่าหลวงพ่อเทียนพูดถึงเรื่องนี้ว่าการที่รู้จังหวะเคลื่อนอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์รู้จังหวะอยู่อย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ารู้ทักทุกจุดยิบก้าจุดนานๆไปมันจะเกรงและเครียด เพราตั้งใจเกินไปใช่ไหมที่นี้จะทำไงให้รู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คือหมายความว่ารู้ได้มากแต่ว่าไม่เกร็งไม่เครียดตามความสามารถของสติกําลังสติของเราถ้าสมมติว่าในยี่สิบเก้าจุดบางคนอาจจะได้ถึงสิบบางคนอาได้ถึงยี่สิบบางคนได้ถึงยี่สิบห้านี่นะแต่ต้องมีข้อแม้ว่าไม่เกร่งไม่เครียดไม่ตึงนะทําแล้วรู้สึกโปร่งสบายแต่สามารถรับรู้จุดเหล่านี้ได้ชัด อันนี้คือข้อแม้ถ้าทําไปแล้วตั้งใจรู้ทุกจุดก็จริงแต่ว่าคุณไม่ถึงสิบวินาทีคุณเกร็งไปทั้งตัวเลยนะหรือตึงไปหมดเลยเนะอิตใจเหมือนเหมือนถูกขังอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกเกิดการเพ่งขึ้นมานะดังนั้นเองลองลองดูอาพร้อมกันอีกครั้งให้จำได้พรากฏว่ามันน า, นานไปมันไม่มันไม่ใช่มันไหลไปความเคยชินอันนี้คือ ทั้งทงี่สร้างยังหวานนะรู้สึกตัวนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกตัวของความเคยชินเพราะความรู้สึกตัวมีสองแบบความรู้สึกตัวที่ไหลไปตามความเคยชินกับความรู้สึกตัวที่ทวนกระแสของความเคยชินหรือ against ของความเคยชินทีนี้เวลาเราให้เห็นชัดๆเนี่ยไม่ช้าเกินไปไม่ว่าเดี๋ยวต่ให้รู้จุดหยุดกับเคลื่อนเนี่ยชัดคุณชัดได้กี่จุด ลองใหม่ดิลองลองทดสอบความความความตั้งใจของตัวเองว่าชัดได้กี่จุด <c oughs> ทีนี้ขอทําเข้าใจความรู้สึกตัวมีสองชนิดความรู้สึกตัวชนิดดั้งเดิมเรียกว่าสันชตัตยานทุกคนเกิดมามีหมดแต่เราเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เราจะใช้ชีวิตที่เป็นกับสติประเภทนั้นที่เป็นสันชตัตยานเรียกว่าสติ ด, ดั้งเดิมของเราอันที่สอง ออกมาจะเปรียบเหมือนอย่างนี้อันที่สองสติที่เป็นสติใหม่เป็นปัญญาญาณสติ ด, ดั้งเดิมเของเราเหมือนผลผลไม้ที่ยังไม่ปอกเปลือกเหมือนเข้าเปลือกไงนะแต่สติที่ตัวใหม่นี่เหมือนกับผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วเป็นสติตัวใหม่นั้นสีสันระหว่างผลไม้ที่ไม่ได้ปอกเปลือกกับปอกเปลือกแล้วเนี่ยคนตัวอย่างกันเลยใช่ไหมอย่างแตงโมไม่ได้ปอกเปลือกสีอะไร สีเขียวพอปกปึกแล้วเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นนะวันนั้นสติตัวนี้มันตัวเดียวกันแต่เหมือนคนละตัวเพราะอันหนึ่งมันมันชัดแล้วสื่อความหมายได้ตลอดแล้ความชัดของสติที่ได้จากจุดต่างๆเนี่ยมันจะค่อยกระจายไปเรื่อยๆมันจะสังสมเหมือนน้ำที่ระยวดอย่างเงี้ยพอนานเข้านานเข้านานเข้ามันจะเยอะแต่ถ้าเป็นสติที่เป็นหลังชฉยมันจะเป็นแบบเนี้มันจะไหลเหมือนเหมือนน้ํา ดังนั้นเองในเบื้องต้นนี้ถ้าเราไปนั่งทำเบื้องตน้นอุเักษ์ก็คือความง่วงจะมาก่อนอันที่สองความเบือ่อไห้ไหรเพราะว่าในช่วงที่เราทำนี้เราเพลินถึงถึงชัดแต่ว่ามันเพลินในความชัดอันนั้นหรือบางคนไม่ชัดแต่ก็เพลินในความไม่ชัดความเพลินนั่นเองก่อให้เกิดความสบาย และความสบายทั้นี้ก็ขอให้เกิดความง่วงและความเบือ่อและความขี้เกียจในที่สุด น, นั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาจะทําไงที่จะไม่ให้เพลินอันนี้อันดับแรกนะความเพลินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไปสุขเวทนาใช่ไหมสุขเวทนาแต่ในขณะเดียวกันบางคนเพลินเหมือ ก, กันเพลินในทุกขเวทนาคือนั่งอย่างนี้มันปวดเขาก็สนุกในการปวดก็เพลินในทุกขเวทนาอันนี้ก็จะเผลอเผลอคิดนะ อันนี้คือวิธีการสร้างจังหวอะอะวิธีสาธิตด้วยอีกทีหนึ่งทุกคนทำได้ไหมท้ย แ, แต่นั่งเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้หลายดุทอันนี้การวิธีสาธิตการเปลี่ยนดุบที่ว่าในใ น, ในช่วงต่อไปตอนนี้จะเอาหลักมันก่อนว่าหลักในการเดินการเดินจงกลมแบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนกับเดินจงกลมแบบเคลื่อนไหวแบบอื่นก็จะต่างกันนิดหนึ่งถ้าแบบ หลายคนเคยผ่านหนอมาแล้วเนาะเขาก็จะเดินแบบหกจังหวะหกนะจังหวะแบบขยับยก ย, ย่างลงแตะเหยียบขยับยกย่างลงแตะเหยียบอันนี้หนอถ้าเป็นผู้ถูกก็ก้าวขวาหายโธโธแต่ถ้าเป็นนาปาก็จะเดินแบบสบายสบายคือเดินไปเรื่อยๆ ให้ให้ให้รู้ว่าเดินเท่านั้นเองแต่วิธีการอู้เพอเทียนจะต่างนิดถึงที่ว่าเวลาเดินมันมีสองลักษณะ เ, <c oughs> เรียกว่าสัมปชัญญะปะพะเนะี่ยอภิกันเตหมายถึงว่าการเดินพืะอนาอภิกันเตถ้าเราไปถึงที่ป๊บเนี่ยเราก็ยืนก่อนแล้วก็ให้รู้สึกตัวคือหมายความว่า รัวขยับไปงายให้รู้สึกแล้วก็หมุนอภิกันเตอยู่นะนี่ในโหมดของอภิกันเตคือเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่พอเดินไปยี่นานเข้ามันเพลินให้เปลี่ยนเป็นจังหวะที่สองเรียกว่าปฏิกันเตคือเดินกลับนี่เรียกว่าปฏิกันเต ช้าหรือไว ก, ก็แล้วแตใ่ให้รู้สึกว่าเดินแล้วก็อภิกันเตสลับกันนี่อภิกันเตกับปฏิกันเตเดินถ้าเป็นอโลกิเตก็คือให้รู้ตัว่าหมุนกลับอโลกิเตวิโลกิเต เพราะนั้นตัวเดินจงครมสร้างเกวะนี้ที่เรามาใช้คือในสัมชชปชัญญะรภะซึ่งในวันต่อไปจะพาสวดว่าอันที่สามสัมมินชีเตปาสาลิเตสัมมินชิเตหมายถึงเอาคูเข้าปาสาลิเตหมายถึงเหยียดออกการสชชาร้างจกวะนี้มาในสตรีฐานสี่หมดว่าด้วยสัมปชัญญะปรภะอริสามว่าสัมมินชิเตปาสาลิเตเหยียดออกสัมมินชีเตคูเข้าปาสาลิเตเหย็ดออก อันนี้คือที่ปรากฏในประไิรปิฎกนะเพราะฉะนั้นการเดินจะมีสองจังหวะการก้าวไปข้างหน้าและถอยกับข้างหลังดัง น, นี้ ล, ลุกขึ้นลองเดินดูเอาของวางในในที่นั่งเราหันหน้ากลับไปทางนู้นนะ <c oughs> พอท่านสาธิตนี้งงให้กับนักศึกษาเขาปรากฏว่านักศึกษาก็เริ่มทยอยมา ปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์กุวิที่ที่ท่านบรรยายธรรมเนเอจัยเมื่อก่อนเอทักษาฟังวันวันเป็นหลายสิบคนหรือเป็นร้อยเนี่ยนี่บางไปเรื่อยเรื่อยได้ข่าวว่าไปหาหลวงตาคนหนึ่งสอนกรรมฐ า, านแปลกแปกอยู่ท้ายวิหารว่า ง, งั้นท่านก็สืบถามว่าเป็นยังไงที่ท่านทนไม่ไหววันหนึ่งท่านเลย แอบไปหาหลวงพ่อเทียนในช่วงคืนนะนะถามคือไปสอบอารมณ์กันนะเพราะอาจารย์ดังกรรมฐานเมือนกันอาจารย์กวิศสายหลวงพ่อพุทธธาตุขอวงพ่อเทียนใชสารไปสอบอารมณ์กันทีนี้อาจารย์กวิศก็สักถามตามที่ท่านเล่านะสักถามหพ่อเทวิธีการแบบนี้มาถูกไหนพระใจไปดกพระใจไปิดกว่าอย่างไรจะเข้าถึงสภาวะทำข้านั้นข้นนี้อะไรได้อย่างไรก็ถามไปหลงพ่อเทียนก็ฟัง ที่ก่อนที่อาจย์จะท่านจะตอบท่านเลยาถามอาจารย์กวิย้อนคืนคําอาจารย์กวิทตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แต่นั้นท่านสี่สิบนะเขาสี่สิบครับท่านจําได้ไหมว่าตอนยมตอนเล็กๆที่ยมพ่ อ, อยมแม่สอนสอนคําแรกนี่ท่านจําได้ไหมว่าท่านเขาท่านสอนว่ายังไงพ่อแม่สอนว่ายังไงในช่วงเล็กที่สุดเนี่ยท่านก็นึกไปนึกมาอจําไม่ได้หลวงพ่อ จำไม่ได้อายุ40ไม่ให้ในจำไม่ได้แล้วตามที่ท่านได้ทรบาบพระไตรปิดกที่จะลึกลงเป็นหนังสือเป็นตัวหนังสือเนี่ยหลังจา ก, จากผู้ริเร่าผลิติพานกี่ปีตามประวัติบอกว่าการสังคนาครั้งที่สามเวลาผ่านไปประมาณ450ปีจึงมีการจารพระไตรปิดกลงเป็นตัวหนังสือด้วยภาษาปกกิจ ภาษามังคุด450ปีนี่กี่ชั่วคนประมาณ 6-7 ชั่วคนใช่ไหมอันนี้ท่านฟังคําสอนของพ่อแม่มา40ปีเนี่ได้ถึงชั่วคนแล้วอย่างไม่ถึงว่าครึ่งชั่วคนอันนี้ขนาดครึ่งชั่วคนนะถ้ายังจํามาได้เลยนั่น450ปีตั้งหลายชั่วคนท่านเชื่อได้ไงว่าพระเ้าอภิดชที่ถูกบันทึกมามันถูกหม ด, ดว่างั้น พอเจอคํานี้เข้าอาจารย์กุลวิทก็งงวนเออไม่เคยมีใครถามท่านแบบนี้อันนี้ท่านเล่าเองนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่าอาจารย์กุลวิทก็ไปถามธรรมะของท่านบ่อยๆนะก็หลายครั้งที่ท่านนํามามาเล่าอาจารย์กุลวิทเป็นผู้เล่าเองเพราะตอนหลังๆเจ้าพันศาปีสองห้าหนึ่งแปดแล้วท่านก็เลยขอลูกศิษย์หลงพ่อเทนสองลูป ตอนนั้นมายังตอนนั้นอ า, อ า, อนนนอาทิตย์มาพุมายังไม่รู้จักพระเทียนนะขอออมาจําได้ว่าส ม, มเณรองส ม, มเณเมตรีกับพระลุงหนึ่งชื่อพระไพบูลย์ปีหนึ่งเก้าพระกฏอาจารย์กวิทออกจากวัดชมพูธานมีโยมถวายที่นั่นสกุลอะไรคู่นั ก, กเสษมเป็นทูตนะครประชาใช่ไหมประชาคู่นักเสษมถวายที่ท่านอยู่ที่นะครนายกพราะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทาส ามาเองก่อนหน้านะามาอ่าหนังสืออาจารย์กุวิตมาก่อนแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาตก็ปรากฏว่าต้นหลังมาได้ข่าวว่าอาจารย์กุหิตไปทําอาสมนวชีวันอยู่ที่นครนายกามาก็ตามไปออกจากเสื้อ ม, มุกก็ตามท่านไปก็มีเห็นพระสองรูปเนี่ยในดวหนึ่งพระเอาค์หนึ่งโดยจุคมสร้างจังหวัดแต่อาจารย์กุหิตจะพบกับครูบาอาจารย์ทั้งสาที่ไปจากกรุงเทพกับพูทธรรมายฟัง แล้วท่านก็ไปรบถึงหลวงพ่อเทียนบ่อยๆว่าหลวงพ่อเทียนพูดอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนพูดอย่างนี้ทีนี้มาก็สืบถามพระเที่นั่นว่าโลพเทียนเป็นใครหลวงพ่ออาจารย์กวิตพูดถึงบ่อยๆอ๋อหลวงพ่อเทียนเป็นคนนั้นก็เลยพอนุสิตหลวงพ่อเทียนย้อนสองรูปน่ยมาก็ไปไปพบท่านท่านไปบูญกันนิรเมตรีก็แนะ่จะมาว่าตอนนี้หลวงพ่อเทียนอยู่ที่วัดสอนแก้วที่นนทบุรีที่วัดท่านพยอมอยู่ทุกวันนี่นะตอนหน้ามาติดมาเรียจากการไปทุดงข้างนั้น ก็มามาพบหลวงพอ่อคำหนึ่งที่เวลามาไปพบอาจารย์กรรมฐานสํานักใดก็ตามบอกว่าผู้ใดก็ตามถ้าจะเข้าสู่ประตูวิปัสนาได้ต้องรู้จกักรูนำตามความเป็นจริงที่ไอ้คําบอกเล่าอย่างนี้มันก็ติดอยู่ในหัวแตม่มาเพราะฉะนั้นพบหลวงพ่อเทียนครั้งแรกที่วัดส่วนแกว้วท่านเป็นพระหลวงตาธรรมดาแสางสาสตัวเดวนั้น น, น, น, นร้อนั้นนะก็ถามหลวงพอ่อ ผมวันนี้ผมยังมาถามหลวงพอการเห็นรูปน้ำนะเห็นอย่างไรถ้ากน้าตาเรียบเฉยท่านก็ไม่ได้ดูกระตือรือร้นอะไรนะที่ในสมัยนะั้นมันมีขวดขวดน้ำโพ ล, ลิริดแบบคุณๆนะบอกคุณๆคงนะจะจำได้ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ให้ยกขวดนี้ขึ้นมาโพลิิขวดน้ำเต็มแล้วท่านก็กหมุนฝาออก ยังไม่ได้พูดเลยนะหลังจากมาถามแล้วก็ยกมือูขวดขึ้นถ้าผมโยนขวดนี้ทิ้งลงไปพื้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอามาก็บอกว่าน้ําก็ไหลหม ด, ดมที่หลวงพออทีนี้ก็ให้ก็เกาฝามาปิดทีนี้ผมโยนอีกทีหนึ่งเป็นยังไงน้ําก็อยู่เหมือนเดิมหนวงพ่อไม่ไหลเพราะอะไรเพราะมันมีฝา ท่านก็เลยบอกว่าไปหาฝานี่มาท่านตอบแบบเซนเลยนะหาฝานี่มาอมาก็งงไปไก่ตาแตกเลยนะก็กลับมาตอนนั้นในปีนั้นนะ่ะท่านพยอมจะออกจากสวนโมกเดี๋ยวที่ท่านไปเจ้าคุณอะไรไม่รู้นะเพราะมาเคย อ, อยู่ด้วยกับท่านที่สวนโมก ออจากส ม, มุทรเอาเนรพระอุร้อนจากส ม, มุทรบวชที่วัดสุนเก้ยบพ่อบ้านท่านอยู่วางบทองท่านก็เลยมาใส่ที่วัดสุนแก้ยบว่าขอฐานที่หลวงพ่อปัญญาของหลวงพ่อปัญญาบอกว่าเงั้นก็มาอยู่กับหลวงพ่อเทียนวัดเดียวกันเข้าบ้านใกล้ท่านก็เอาเนนมาบวชเราขออนุญาหลวงพ่อเทียนเพื่อนก็โอเคเอาเนรามาบวชภาคอุร้อนภากเว่าเนนทั้งเนรตั้งร้งง100 200อยสองร้อองค์มันไม่สงบที่เนี่ยดังทั้งวัดเลย หลวงพ่อก็เลยไปบอกหลวงพ่อปัญญาบอกผมกลับอีสานเพราะว่าวัดมันไม่ไม่สงบว่า ง, งั้นที่นี่หลวงพ่อปัญญาบอกว่ามันมีอีกแห่งหนึ่งนะวัดร้างอีกแห่งหนึ่งแถวนนทบุรีนี่เหมือนกันที่เขาเรีกเมื่อ ก, ก, ก่อนวู้แถววัดชลอวัดสนามนอกตรงนี้เขาเรียกว่าสนามในมันร้างไปแล้วนะแต่ชาวบ้านไปยึดเปสวนหมดล้วลองไปดูที่ตรงนี้เป็นยังไงมันยังอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีปัญหาอะไรผมจะ ก, การเพราะท่านเป็นเจ้าหน้จังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อก็ปรากฏว่า พระลูกศิษย์พอเทียนสองรูปคือหลพ่อคําเขียนกับอาจารย์ทองล้วนอาสาจะไปพัฒนาท่านบ อ, อกจากวัชุมประธานมาหลังจากชุนกวนก็มาพัฒนาที่วัดสนามในปีถัดมาหลงพ่เทียนก็ตามมาอยู่ที่นั่นอามาก็เลยหลังจากพบท่านพิวัฒน์สนแก้แล้วก็ตามมาที่วัดสนามในก็มาพบอาจารย์กวิทที่ที่วัดสนามในมาฟังหลงพ่เทียนที่นั่นเหมือนกันก็ปรากฏว่า ตอนนั้นอาจจะมาทําหนออยู่เรียนมหาจุฬาทําหนออยู่เวลาเขาสอนกันเดินเจ้ากรมสร้างเจ้า่าเอ้ามาไม่ทํานะนมาทําหนอมาเดินมาเลยเพราะมันสงบดีนะถ้าเดินถ้าไม่ใช่หกจังหวะเหมือกมันไม่ใช่เดินกรรมาฐานถ้านั่งลืมตายกมือเนี่ยเหมือนอะไรก็รู้ไม่ใช่กรรมาฐานเอามาก็ไม่ทําที่ตอนนั้นงานช่วงนั้นงานค่อนข้างหนักมากมาอยู่วัดพยารวง์สาวาทฝั่งธนใช่ไหมไปเรียนบาลี บาลีประโยคโอบประโยคหกศึกษาปฏิทศอนเนืงสาวาทิศสอนบาลีสอนนักธรรมเรียนบาลีสอบชุดคู่พวกโหวุ่นไปบทปีนั้นห้าหกอย่างมหาจุฬาก็เรียนทีนี้มันก็หอบหนังสือไปอ่านวันหนึ่งใกล้จะสอบเอามาก็เลยในวัดมีคนเยอะอามาก็หลบเข้าไปในส่วนทุเรียนใกล้ๆวัสนามในมันมีส่วนทุเรียนอยู่สมัยก่อนนะ เก็มีกระต๊อบเล็กๆอยู่กลางสวนก็ไปนั่งดูหนังสือดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าหลายเรื่องหลายราว ม, มันติวต้วๆๆ้วอยูงวาการปฏิบัติก็อยากจะเอาเรียนหนังสือก็อยากจะเรียนในที่สุดมันวุ่นก็เลยเอ๊เห็นท่านบอกให้ยกมือสร้างจังหวะก็ต้ อ, องยกเชิญหมอข้างในหมอคนที่ก็ก็เลยทำแล้วยกมือ มาสักหนาทีปรากฏว่าเรื่องราวต่างๆที่พุ่นๆอยู่ในหัวมันหายเว้ไปเลยนะมันลุ่งคือเลยทำต่อจนกระทั่งตกยินจากนั้นมาเอามาเริ่มสร้างจังหวะแต่ก่อนหน้านั้นไม่ไม่ไม่เอาเลยนะเพราะกรรมฐ า, านอะไรก็ไม่รู้ยุ่งซึ่งที่เราทำมาทุกตุกกูลคือนั่งหลับตาใช่ไหม ไม่หนอก็พูดโทรไม่รู้โทก็นับลมหายใจแต่พอ ม, มาเจอการเคลื่อนไหวมืออันนี้พอไปถึงจุดวิกฤตจริงๆก็คือหัวปัน่นอย่างกะอย่างกะไรเขามาทําปรากฏว่ามันหายได้ก็ทําเริ่มสร้างจังหวะเป็นก็นั่นหมายความว่าการสร้างจังหวะเนี่ยถ้าเราไม่เกิดแรงนั่นจริงๆเพราะว่ามาเป็นพระเนี่ยจะรับอะไรก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันอยู่สํานักใหญ่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นตัวเองเป็นสอนหนังสือเขาเนี่ย เลยตั้งแต่นั้นมาแต่ส่วนใหญ่จะฟังอาจันกรวิทย์ COVID พูดเพราะจันกรวิทเอาคําหนวงพ่อคําพูดของพ่เทียนมาขยายเพราะเพส่วนใหญ่ที่พู้ภาษาอีสานใช่ไหมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ฟังจันกรวิดเป็นส่วนใหญ่ตอนนั้นมีทเตอร์ลวีคุณหมอประเวศคุณหมอมนูนจากยุฬานิพนธ์นะไปปฏิบัติกันรุ่นแรกๆอามาเขาดูเขาเป็นครูบาอาจารย์นักศึกษายเราเป็นอะไรอยู่ทําไมเรไม่ทําก็ เดินจุกุมก็เดินแบบหมอเหมือนกันนะเดินที่วันหนึ่งพ่อเทียนมาเห็นเข้าอ้าวทำไมไม่เดินปกติมันไม่มีสมาธิก็หลวงพ่อเอาเดินอย่างถ้าสมมุติว่าอยู่ที่บ้านมีเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนถ้าจะเดินแบบนี้ไหมมันก็ไม่เดินอยู่แบบนี้ก็วิ่งเอาเอาไม่ม่เดินแบบนี้่ะแสดงกรรมฐานกับชีวิตจริงมันคนละเรื่องกันใช่ไหมความจริงกรรมฐานชีวิตจริงเป็นเรื่องเดียวกัน พราะนั้นท่านอยู่ที่นี่อย่างไรเดินยอยงไงก็เดินแบบนั้นแหละก็ท่านขยันขยอยก็เดินเดินแบบนั้นนั้นนั้นจะเห็นว่ากวัวจะรับกรรมฐ า, านนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะจิตของเร า, าไปติดแต่ของเก่าอามาก็เลยถามครูาอาจารย์ที่ท่านรับวิธีนี้มาว่าวิธีนี้มาจากไหนก็ปรากฏว่าอาจารย์มหาบททองเป็นลูกศิษย์ต้นของหลวงพ่อเทียนตั้งแต่แรกๆเนี่ยหลวงพ่อเทียนท่านอ่า ปวดตั้งแต่ป 5, .2 พ .512 เนาะแต่ไปเอมาไปพบท่าน .2119 หรื20แล้วนะท่านบอกว่าเดิมเนี่ยกรรมาฐานแบบื่อนไหวเนี่ยเขาสอนกันที่พมา่าแต่เขาเคื่อนไหวช้ามากนะยกมาแล้วเข้ามาอย่างนี้ก่อนแล้วมาควบมือแล้วก็ยก ออกไปกระลงควบลงเวลาจะหยิบจับอะไรนี้ก็จะสร้างจังหวะก่อนทั้งจังหวะแล้วก็ไปจับสมมติจับน้ำนะก็จับไปจังหวะแล้วเข้ามาให้มาตรงปากแล้วก็เลื่อนเข้ามามาแตะแตะที่ปากก่อนเราอย่างไม่ดื่มนะแล้วค่อยกระดกดึงกระลง อันนี้คือที่เขาสอนกับที่พมา่าต่อมาปีนี้พศสองอ่ะเขาย้อนย้อนหลังนะปีพศสองห้าเจ็ดห้าเนี่ยออ 25, 75, เ, ยออ 25, 75, เยจ้าคุณพิมุลธรรมวัดมหาธาท่านเป็นสังฆมูลติว่าการปกครองก็ส่งพระกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านชื่อหลวงพ่อเจ้าคุณชูดกสมัยต่อมาหรือเจ้าคุณธรรมราชเทวราชมหาโมนีสมัยนั้นเรียกอาจารย์หายชูดกประโยคเก้าเป็นบาลีเก่งมาก ก็ส่งไปเรียนวิธีแบบนี้มาแ้วสองสามปีก็มาสอนที่วัดมห า, าธาตุเคลื่อนไหวแบบช้านี่นะเจ้าคุณฟิมุนธรรมซึ่งเป็นสังฆมณฑิว่ากรรมปกครองท่านก็มีเพื่อนชาวต่างชาติอย่างลาวเขมินมาเลเซียอะไรที่เขาเรียกมาอ่าฮัลโหลสักชั่วโมงหนึ่งค่อยโทรกลับได้ไหม อโยมจากเทนิซี่บางทีโยงเก็บอารมณ์ที่บ้านเวลาติดอารมณ์ขึ้นมาโทรอันนี้ถึงพ่อจำเป็นต้องมียงเงี้ยเก็บอารมณ์ด้วยตัวเองที่บ้านถ้าเวลาติดอารมณ์ขึ้นมาไม่มีอาจารย์ก็โทรขา้ามพระวีปสอบอารมณ์กันกลางอากาศเอางนั้นเถอะอันนี้คือปัญหานะมีคนอยู่ที่จีนอยู่นี่กวางโจวเป็นคนไทยแล้วนี่แหละแต่ว่าอยู่เป็นนักธุรกิจอยู่ที่เมืองไทยไม่มีเวลาปฏิบัติก็อยู่ที่กวงโจวแล้วก็ขอพ่ อ, พอเปิดโทรศัพท์ไว้นะเวลาหนูติดอารมณ์ตัวไหนจะโทรขเข้ามาเมื่อไง อันนี้ขาขัน้นรายการนิดหนึ่งต่อมาปรากฏว่าเจ้าคุณโชดกก็มาสอนสอนวิธีการเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยที่กรุงเทพปรากฏว่ายรงเทพตอนนั้นผู้โทรไปที่นิยมแล้วใช่ไหมกรงเทพทําสักสอสปีรับไม่ได้เพราะมันทวนกระแสะมากเกินไปคือต้องลืมตาแล้วก็นั่งเคลื่อนไหวมือแล้วก็นั่งยังไงก็ได้ก็เลยมีปัญหาว่ากรงเทพรับมันได้ก็ กลับไปบอกข่าวทางเจ้าสมุทรคืออาจารย์มหาศีสยะโดเพราะมา ก, ก็บอกคงเทบรับไม่ได้จะมีวิธีอย่างอื่นไหมก็เลยนัดอาจารย์กรรมฐานที่ไปเรียนวิธีแบบเนี้ยใหม่ให้เปลี่ยนจากเคลื่อนไหวมือเนี่ยมาเป็นการเคลื่อนไหวท้องหายใจเข้าว่า rising จะหมหายใจออก f o l i n g rising ยุบพองที่มาแปลปิจิวันก็หายใจเข้า บริกรรมว่าพองหนอให้เจ้าออกบริกา ร, รมายุบหนอให้ดูท้องพองยุบแทนที่จะดูการเคลื่อนไหวของมือแต่เปลี่ยนมาเป็นการดูการเคลื่อนไหวของทอง้องก็มาสอนว่ามหาธาตุปรากฏคนรับได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานพองยุบก็เริ่มต้นจากวัดมหาธา ต, ตุนั้นมาคือเปลี่ยนไปจากเคลื่อนไหวนี่เองต้นกำเนิดจริงคือการเคลื่อนไหวแต่ปรากฏว่าเจ้าคุณมหาปานอนันโทอยู่ที่วัดโสปหลงประเทศลาว มาเรียนเอาตั้งแต่ชุดแรกที่อาจารย์เจ้าคุณชูดกนํามาสอนแต่พอมีการสัมมนาเปลี่ยนวิธีการเจ้าคุณมหาปานไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้มาเปลี่ยนวิธีการก็ยังสอนแบบเคลื่อนไหวช้าอยู่ที่ประเทศลาวที่สุพรรณแต่ท้งนั้นไปเรียกสมัยว่ากรรมฐานติงนิ่งอคุณปอเพลินรึเ่าฟังเพลินลืมตากรงคว่ำเรียกวกรรมฐานติงคําว่าติงคืออย่างนี้เนะก็นิ่ง ติงนิ่งภาษาลาวเรียกว่าติงเคลื่อนไหวในเคลื่อนติงก็นิ่งกรรมาฐานติงนิ่งต่อมาเมื่อหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าท่านทําแบบหนอแบบพูโทโธมานานแต่ว่าตัดความโกรธไม่ได้ะท่านบรรดาลโทสะอยู่ครั้งหนึ่งท่านบอกเลยออกจากบ้านเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยพระมาขอ กรถิน ห, ห้าวัดเพราะท่านเป็นคนมีอันจะกินเนี่ยหงพเทียนนี่ น, นนะมีอนจะกินค่าเหลืออ่าระหว่างคนไฟระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวถ้าอยู่ติดวิ่น้ำผงจะหัดเลยเนะี่ยปีนั้นก็ากฏว่ามีพระมาขอกรรมฐานาข อ, อกระถิ่นห้าวัดหลังจากทอดกรถินในช่วงทอดกรถินเนี่ยจัดงานตามวันนอกก็คือมีหมอเรามีเรวงอะไรต่างแบบทั่วไปใช่ไหมก็ตกลงกับแม่บ้านบอกว่า ให้แม่บ้านจัดการเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องจ่ายเข้าใจของอะไรต่างๆนะถ้าจะเป็นท่านจะไม่ถือเงินถ้าจะรับแขกอย่างเดียวก็ตกลงกันเสร็จป้าโกดพอเสร็จงานอ่าหมอลำทั้งหลายเขาก็อาจจะหาไม่บ้านไม่เจอเนาะก็ไปขอเงินเนี่ยกับชื่อท่านผู้ใหญ่พันธุน่ะนะอุบลสุพรรณอินทผิวก็ไปขอเงินข้าบวชลำปรากฏ ว, ว่าท่านฉูนเกึกเลยว่าเอ๊ะ ตร ง, งก็แม่บ้านแล้วทําไมให้มาขอท่านท่านโกรธแม่บ้านว่าทำไมไม่จัดการทุเรศนี้เขาให้ไปการขายหน้าของเราเนี่ยนะก็เลยหลังจากทอดกระถินภาทอดกรถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเย็นวันหนึ่งท่านบอกว่ากําลังทานข้าวกันกับแม่บ้านเนะี่ยท่านก็บุญว่าตรงลงกันแล้วว่าเราจะทงนี้ก็บุญออกมาแม่บ้านก็เอา้าแล้วทอดกระถินไปแล้วพ่อยังไม่ได้บุญกับเขาเลยเหรอ ยังตกนรกอยู่อ่ะเอา้าทำไมว่าตนกนรกก็โกรธตั้งแต่วันนั้นมาแลววันนี้ยังไม่หายเลยว่าคาบุญก็ถึงห้ากองยังตกนรกอยู่เป็นไปได้ยังไงว่าท่านสลดใจท่านว่าสลดใจมากเออแม่ว่า น, านพูดจริงท่านไม่เถียงเลยที่ในท่านพิจารณาตรงนี้ว่าท่านรู้สึกขายหน้าตรงที่แม่บ้านทักอย่างนั้นนะท่านก็รู้สึกว่าถาเอาล่ะถ้าสมมุติว่าคือปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งนานแล้วแต่ว่าตัวนี้ไม่ลดลงเลยตัวโกรธเนี่ย ตัวตัวงุอิดตั ว, ต ว, นตวุนเนี่ยไม่ลดท่านก็เลยบอกว่าจะออกจากบ้านไปหาปฏิบัติาอาจารย์กรรมฐานถ้าความรู้สึกโกรธไม่หมดท่านจะไม่กลับเข้าบ้านางั้นในที่สุดท่านก็ออกไปหายไปสามเดือนท่านบอกว่าไปอยู่ที่อ่าวัดศีเชียงใหม่ที่จังหวัดนนองคายไปเรียนจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อ มหาปันอีกทีหนึ่งชื่อวงหลพ่อวันทองก็ไปเรียนเสร็จแล้วปรากฏว่าพอจะถึงเข้าพันศาเนี่ยหลวงพ่อวันทองไม่อยู่วัดศรีคุณเมืองศรีเชียงใหม่ข้ามไปประเทศลาวท่านก็เลยข้ามไปประเทศลาวไปจำพรรษาอยู่กับหลวงพ่อมหาปัอานอนันโทสอนวิธีติกนิ่งเนี่ยปรากฏว่าพัรษานั้นทั้งบอกมีพระยี่สิบรูปมีอุบาสิกาห้าท่านทั้งหมดยี่บห้าคนทั้งท่านด้วยเป็นอุบาสิกสองบาสิกาสามถ้าเราให้ฟัง ก็นั่นทําแบบติ้งนิ่งขึ้นๆช้าๆนี่แหละนะทําอยู่ทีนี้วันหนึ่งท่านบอกเอ้การขึ้นไหวช้าๆมันก็เหมือนพุทโธมันก็นับลมหายใจเพียงแต่ว่าใช้มือเท่านั้นเองมันก็เป็นการขึ้นช้าๆเหมือนกับดูลมหายใจเหมือนกันมันต่างกันตรงไหนมันก็เป็นสมถะเหมือนกันก็สะกดจิตเหมือนกันท่านว่าที่ท่านก็เป็นคนที่มีปฏิภาณในชักอย่างท่านบอกว่าดูไปดูมาเนี่เพื่ออะไรกันแน่เนี่ย อ๋อท่านจับได้ว่าในการเคลื่อนหรือขึ้นลงเนี่ยมันมีตัวรู้สึกอยู่ถ้าบอกเป็นการลำเรียงตัวรู้สึกจากมือเคลื่อนเนี่ยให้เป็นสติสัมยาเข้าสู่จิตเท่านั้นเองเป็นการลำเรียงสติสัมยะเข้าสู่จิต ท, ทีนี้ท่านก็ตัดเอาตัวช้าออกอย่างนีน้คือเคลื่อนไหวแบบธรรมดาเเป็นเคลื่อนไหวเป็นจังหวะอย่างที่เราทําเองเคลื่อนไหวธรรมดาปรากฏว่าเพอพรรษา ของพ่อมหาปานอนันโทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่กรรมฐานก็สอบอารมณ์ทั้งหมด25คนทนี่สอบท่านเป็นท่านสุดท้ายสอบงพ่อเทียนเป็นคนสุดท้ายอ <c oughs> ืป้ากฏว่ากระถามหลวงพ่อถามลหลายหลายอย่างให้ก็ตอบได้หมดทีนี้คําถามสุดท้ายที่เขาบอกว่าสําคัญท่านบอกท่านถามบอกว่าตอนนี้ถามว่าพริกเผ็ดไหมหลวงพ่อเทีนบอกไม่เผ็ด อ้าทำไมไม่เผ็ดเพราะตอนนี้พริกมันอยู่ที่ลิ้นท่านอ้าวแล้วเกลืออะเค็มไหมบอกเกลือก็ไม่เค็มเพราะอะไรเพราะเกลือมันอยู่ที่ลิ้นท่นานนวลงั้นนะอาจารย์มหาปนันโทก็บอกเข้าใจอ้อนี่คือท่านเป็นวิปัสนาแล้วเพราะวิปัสนาจะพูดถึงเรื่องปัจจุบันเท่านั้นจิตจะไม่แกว่งไปในอดีตใอนาคตคือจิตอยู่ปัจจุบันอ้าผ่านอารมณ์รูปนามทีนี้พอจะมาสอบอารมณ์ปรมามัดท่านถาม หลายคำแต่คำสุดท้ายที่หึวงพ่อมาเล่าก็บอกว่ากลับไปจากเนี่ยจากบึงลาวไปหาโมไถ่สมัยนั้นยังไม่เจริญใช่ไหมมันผ่านป่าป่าดงพ่อออกกลับไปบ้านได้ข่าวว่าในป่านเนี่ยมีเสือเจ็บทางภาษาลาวเรียกว่าเสือซ้ำนะเสือเสือเจ็บมันนะ่ะเส้อเจ็บอยู่ตั้งบริเสือเจ็บเนี่ยมันจะกัดทุกคนกัดทุกสัตว์ที่ขวางหน้ามันพราะมัเป็นเสือเจ็บเหมือนกัน เพราะนั้นพ่อออกกลับไปบ้านได้ข่าวว่าป่านี้มันมีเสือเจ็บอยู่เนี่ยท่านจะกล้าผ่านไปบ้านไหมก็ต้องไปเอา้าไม่กลัวเสือกัดเพราะตอนนั้นท่านบอกว่าเสืออาจจะไม่มีอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้หรือบางทีเจอแต่ว่าผมกับเสืออาจจะสู้กันก็ได้ผมอาจจะชนะเสือหรือเสืออาจจะเพราะตอนนี้ไม่มีเสือท่านตอบอย่างงีนะ้ในที่สุดอาจารย์ก็เข้าใจว่า อาลหลวงพ่อไปไกลแล้วว่าเป็นปัจจุบันเด็ดขาดและฟุตรต้เส้ยท่าว่าเราตอบอะไรนี้ก็เลยถือว่าเล่นลิ้นใช่ไหมตอบแบบกวนใช่ไหมแต่คือท่านตอบไปซสี้ยวพิลาลุงกรรมาฐานนะอ๋อท่านก็นอนุโมทนาว่าสอบมาทั้งหมดยี่สิบหกคนตอบไม่เหมือนเดือท่านท่านก็เลยอทําบุญส่วนกุศลอะไรตอบแคนคุณครูบาอาจารย์ขอขมาลาโทษเรียบร้อท่านก็กลับบ้าน ท่านบอกว่ากลับมาบ้านก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับอุบาสกบริสิการที่จําศีลอยู่วัดท่านที่อ่าจังหวัดเลยบ้านเชียงคานจังหวัดเลยนะอำเภอเชียงคา น, บ, านบ้านบุหงมก็ปรากฏว่าในสมัยนั้นเรื่องของไอเรื่องปัญหาคอมนี้มันกระลังดังอะเนาะท่านก็มาจาหนีมาบอกให้อุบาสกบริสิการว่ามารักษาศีนห้าศีนแปดนี่ไม่ถูกเท่า น, นั้นเลย บอกว่าอันนี้คือมาอยู่วัดแล้วก็มาติดพวกของพวกนี้อยู่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่วิปัสนางั้นวิปัสนาต้องทําท่านกคยสอนจำที่ท่านเข้าใจปรากฏว่าท่านถูกหาว่าท่านไปอยู่เมืองลาวแล้วถูกล้างสมองมาเอาอะไรมาสอนก็ไม่รู้งนะั้นนะไอ้ขึ้นไว้แบบเนี้ยก็ท่านก็เลยมาสอนเฉพาะญาติพี่น้องของท่านท่านบอกว่าตั้งแต่นั้นมาความโลคความโกรธความโง่ที่ท่านเคยมีมันหายไปเลย แล้วตื่นตัวเต็มที่ท่านก็สอนทัตตนนุนมาท่านสอนเป็นก็รหัสอยู่สงปีหลังจากท่านบรรลุทำแล้วนะสองปีปรากฏว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติมามาอาศัยที่บ้านท่านมาปฏิบัติที่บ้านท่านไม่ได้เปิดสำนักแต่เอามาปฏิบัติที่บ้านที่คิต้องเป็นภาระหุงหานะบางคนมาปฏิบัติยกมาทั้งครอบครัวเลยไม่ต้องไปทําหากินที่บ้านว่ากินที่บ้านท่านหมดเลยเะงั้นพอปรากฏามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วทีเนี้ยอท่านก็บเออถ้อย่างั้น เราไปบวชเป็นพระดีฝ่าเพื่อจะได้บินทวบ า, านเลี้ยงโยมได้เราะงั้นท่านก็ตัดสินใจบวชอายุสี่สิบแปดแต่ถ้ารู้ธรรมเรื่องนี้อายุสี่สิบหกหลังจากรู้ธรรมเรื่องนี้สองปีท่านก็มาบวชเป็นเป็นพระอันนี้คือความเป็นมาของท่านที่อยากจะให้พวกเราได้ทราบว่าเป็นคนใหม่ว่ามีความเป็นที่ไปที่มาอย่างไรได้ด้วยวิธีนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ท่านก็อบรมมาเรื่อยๆด้วยวิธีนี้แล้วก็คนก็เข้าใจกัน คือสมัยนั้นท่านจะใช้ภาษาของท่านท่านสอนให้ภาษาเป็นส่วนใหญ่นะแล้วข้ามไปสอนที่จังหวัดที่เมืองลาวดังนั้นในเรื่องนี้เราทั้งหลายได้คุ้นเคยกับวิธีกรรมฐานต่างๆมาเนี่ยแต่เมื่อมาเจอวิธีนี้เป็นวิธีใหม่อาจามาจำเป็นจะต้องพูดถึงที่ไปที่มาให้ชัดเจนว่ามันเป็นมาอย่างนี้นะแล้วอาจารย์มากา็ปฏิบัติมาตั้งแต่ปี20เป็นต้นมาที่รับได้ มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาวันหนึ่งมาเข้าใจรูปนามเลยมาเจอเจอฝาตัวนี้นะอันนี้คือเรามาจอยตรงนี้เจอฝาตัวนี้ตัวนี้ก็คืออะไรคือสติสา ม, มัญญนนั้นเองทุกครั้งเมื่อสตินี้อยู่กับเราเนี่ยจิตของเรามันจะไม่ไหลออกจิตของเราเนี่ยมันคอนเทนมันบรรจุไว้หมดเลยมรรคผลนิพพานอยู่ในนี้หมดเลยคือในใ น, ในความรู้สึกตัว แต่ทุกครั้งท่านบอกว่าเมื่อเราถูกกระทบเวตาห์ของจมูกหายใจแล้วเหมือนกับจิตของเราเหมือนขวดมันจะล้มล้มแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ดีในใจของเรามันจะไปกับความคิดหมดเลยไปความคิดพอเรามีสติสมญาข้างหนึ่งเหมือนเราตั้งขวดได้น้ําที่เราเติมไปมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นที่ท่านให้ไปหาตรวนี้คือหาสติสมญาตัวใหม่ไม่ใช่สติสมญาตัวเก่าคือไม่ใช่สติสมญาตามฉันชาัดยานถ้าสติ อสัมมิยตาสัญชตาตญาณมันจะสนใจไปสู่สิ่งข้างนอกแต่ถ้าเป็นสติมญยะที่มันเป็นปัญญาญาณมันจะกลับมาสู่ข้างในอันนี้มันกลับขั้วกันนั้นให้ไปหาสิ่งนี้คือให้หาสติสมัมปชัญญะที่เราฝึกซึ่งทุกคนมีตัวสติมิยะาภาัยที่สัญชตาตญาณเป็นต้นทุนอยู่แต่เราต้องเอามาทําใหม่สติปัญญาสัมปชัญญะต้นทนุนเหมือนกับเมล็เมลดเมล็ดพืชนนะ่ะ พอเรามาปลูกมาพ่อแล้วมันเติบโตขึ้นมามันเป็นต้นใหม่มเมล็ดผลออกมาก็จะเป็นมเมล็ดผลใหม่ไม่ใช่ของเก่าแก่มาจากตัวเก่านั่นแหละหน้าที่ของเราที่มานั่งทําความเพียรก็คือมาลดน้ําใส่ปุ๋ยพ่ดินมาให้น้ําให้ปุ๋ยเพื่อให้สติสัญญาตตัวเก่าของเราเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้สึกใหม่เท่านั้นเองและตัวรู้สึกตัวใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่นเองมันจะไปแปลงตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็น จากสติมาเป็นสัมปชัญญะจากสัมปชัญญะมาเป็นสมาธิจากสมาธิมาเป็นปัญญาจากปัญญามันจะเป็นญาณไปต่างๆไปจากตัวรู้สึกตัวตัวน้นอยตัวนี้เองดังนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เห็นต้นเห็นปลายเห็นที่ไปที่มาว่าความรู้สึกตัวนี้มันเติบโตแล้วมันจะไปเป็นอะไรถ้าเรารู้สึ ก, กแต่ลักษณะที่รู้ตัวรู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นสติ คือเตือนให้ใจกับกายมันอยู่ด้วยกันเป็นสติถ้ากายกับใจอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกตัวทัว่วข้อมือเต้ามือเท่าเป็นสัมปชัญญะเรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ความรู้สึกตัวรอมตั้งไปนานเข้านั้นเข้าเรียกว่าสมาธิและความรู้สึกตัวรอบตั้งมั่นแล้วเราเห็นทั้งหมดทั้งกายเนี่ยสบายไม่สบายเห็นชัดนะจะลุกจะนั่งจะย่างเห็นหมดเหมือนกัะอะไรตกัน คิดไม่คิดเห็นสบายไม่สบายเห็นพอใจไม่พอใจมันเห็นอาการเหล่านี้ปรากฏในการในใจตรงนี้เป็นปัญญาเนี่ยมันมันจะเติบโตไปนี้เพราะฉะนั้นเราทําหน้าที่เติมน้าเป็มต้นทางคือเติมตรู้สึกตัวเท่านั้นเองแล้วตัวนั้นจะพัฒนาไปเป็นสมรยะสมรทิปัญญาของมันเองใครจะเติบโตไปตขั้นตอนไหนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติห้าประการหนึ่งให้มีศรัทธาที่จะทํามีความจริงใจที่จะทำสอง ทำอย่างต่อเนื่อง term, คือรู้ตัวอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้หมายถึงทำอย่างต่อเนื่อง anyway, ไม่ได้หมายถึงสร้างจังหวะโดจิตวอย่างต่อเนื่องแต่รู้ตัวอย่างต่อเนื่องสมมุติเราอยู่จังนี้ปั๊บเราจะไปทานน้ำเรารู้สึกตัวในการจับขวดแล้วรู้สึกตัวในการดื่มแล้วรู้สึกตัวในการวางให้ชัดไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าวิริยะสามให้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่ากายกับใจความรู้สึกกายกับใจยังอยู่ด้วยกันไหม แต่ละขณะถ้ายังอยู่ด้วยกันแล้ยความวมีสติอยู่ ส, สถ้าสติกับกายความรู้สึกกับกายกายกับใจอยู่ด้วยกันแล้วตัวความรู้สึกนี้ตั้งมันได้นานไหมเป็นสมาธิแล้วตั้งมันได้นานแล้วมันเห็นอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกายในในจของเองชัดไหมเป็นปัญญาอันนี้คือสุบัติเบื้องต้นที่สุดสําหรับผู้ปฏิบัติเพราะฉนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือตัวศรัทธาและความเพียร น, นะ ด้านนั้นเองในห้าวันนี้เรามาพิสูจน์ดูว่าสถาความผิดของเราจะต่อเนื่องแค่ไหนในส่วนปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆเอามาก็จะแก้ไขไปตามลำดับยังไม่ลงมือเลยง่วงเลวนะถ้าลงมือแล้วจะขนาดไหนว่านนะี่ยนี่ยังไม่ทันลงมือนะอันนี้อันอนี้เพียงสาธิตเฉยๆนะ นั้นเจอแน่เลย ว, วันนี้ไม่รู้กี่รอบก็แล้วกันในช่วงสามวันนี่หนักกันแล้วกันนะง่วงให้ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะวิธีแก้วิอันนี้หาวิธีเอาห้องใครห้องมันก็นแล้วกันดังนั้นเบื้องต้นนี่อย่าให้เพลินสมัยก็ทําไปรู้สึกมันไม่ค่อยท่าพเพะก็เปลี่ยนเลยอต่อไปวิธีเปลี่ยนท่านั่งนะสาธิตการเดินจนโคงสร้างจังหวะเรียบร้อยแล้วต่อไปสาธิตการนั่งอ่ะทุกคนลองชันลุกนั่งเขา่า